ธรรมดาไปไปสูตไปอยติๆๆอยู่ชั้นดุสิตนะแล้วสวรรค์มีกี่ชั้นกันล่ะอ่าหกชั้นน่าจะมีเจ็ดชั้นเนะเพราะทั้งเจ็ดคอมพีทำไมหกชั้นนะหลักฐานสักขัดแย้งกันทีนี้ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งก็คือสวรรค์ชั้นอะไรจาตุมหาราช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 าทายิกาวัดทั้งท่านนี้ไม่ได้นิ ม, มนต์ไว้ก่อนนะไปโดยบังเอิญเพราะโยมเขานิ ม, มนต์ไปไปเผยแพร่ไปเทศนาเรื่องวิปัสนาแต่ว่าโยมทายิกาตายในช่วงนั้นพอดีพอธตมาก็เลยได้ไปสวดเราว่าด้วยบุญของทายิกาคนนั้นคนอายุก้าสิบป่าทาไมใสขนาดนี้โสดใสเลยนะแล้วก็หน้ายัางยังดูประมาณควรสัก70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 ไม่เล่นเพราะที่ไปเล่นเพราะใจไม่ดีมันจริงเสียใจนะอันนี้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมากุศลสมาไม่ต้องไปไกลก่อนะั้นเอาแค่นี้พอแค่สามข้อถ้า จ, จบหมดทั้งข้อนะัคืนนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่นะห <c oughs> ลวงพ่อกำลังมองหานามอยู่นะเดี๋ยวหลังจากบรรยายแล้วเปิโดโอกาสให้ให้ถามปัญหานะครั้งหนึ่งอาจมาไปอบรม